วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบกันยายนพุทธศักราชสอง3ันห้าสาเป็นวันพระวันธรร ม, มัตสวรนระวันฟังธรรมเป็นวันมาโรงเรียนของชาวพุทธเราพอพระพุทธศาสนา เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาธรรมะให้แก่นักเรียนคือชาวพุทธศาสนิกชนเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนกับโรงเรียนทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะโรงเรียนที่มีอยู่ในโลกนี้สอนวิชาความรู้ เพื่อสนับสนุนความอยากต่างๆเช่นความอยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ความอยากร่ำอยากรวย mm hmm. ความอยากเป็นใหญ่เป็นโต mm hmm. ก็ต้องไปมีวิชาความรู้ mm hmm. ไปเรียนหนังสือพอมีวิชาความรู้ก็สามารถ เอาวิชาความรู้นี้ไปหาเงินหาทองกันพอได้เงินทองก็สามารถที่จะซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับตนแต่ทางพุทธศาสนานี้กับสอนตรงกันข้ามกับโรงเรียนทั่วไปในโลกนี้สอนให้มาหาความรู้เพื่อที่จะ หยุดความอยากกันหยุดความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หยุดความอยากริ่มอยากรวยหยุดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตหยุดความอยากจะได้รับรางวัลอะไรต่างๆเพราะความอยากที่มีอยู่ในใจเหล่านี้เป็นผู้ที่ สับดันให้จิตใจต้องมาเกิดกันต้องมามีร่างกายกันเพราะต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายกันอยากดูรูปก็ต้องมีตาอยากฟังเสียงก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัส ความร้อนความเยน็นความแข็งความนุ่มของสิ่งต่างๆก็ต้องมีร่างกาย <Yeah. S 1> จึงพาให้จิตใจต้องมาเกาะติดกับร่างกาย <Yeah. S 1> แต่ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาระที่หนักอย่างยิ่งก็จะต้องคอยเลี้ยงดูร่างกาย ให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงแต่เลี้ยงดูร่างกายให้ดีขนาดไหนร่างกายไม่ช้าก็เลยก็ต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องพบกับความตายตายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจบที่ตรงความตายความตายก็เป็นเพียง ละครบทหนึ่งเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองพอละครเรื่องนี้หมดจิตก็ไปเล่นละครลงใหม่ต่อไปจิตก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วก็ามาเล่นละครเรื่องใหม่อีก็กจะหมุนเวียนเปลี่ยนการเล่นละครไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไป เดี๋ยวก็กลับไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใหม่แล้วก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกกับภัยต่างๆที่จะมากระทบต่อร่างกายคือโดยสรุปแล้วความทุกข์นี้เหมือนเกิดจากการที่ ใจมามีร่างกายนี้มามายึดติดกับร่างกายมาเกาะติดกับร่างกายใจนี้กับร่างกายเป็นคนละคนกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนขี่มา้าม้ากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันถ้าคนไปมีม้าเข้าเขาอยากจะให้ม้า ขี่มา้าไปไหนมาไหนสะดวกรวดเร็วกว่าเดินเองอก็ต้องไปมีมา้าไปหามา้ามาขี่พอได้มา้ามาก็ต้องมาเป็นภาระขับเลี้ยงการเลี้ยงม้า่ะต้องหาญ้ามาให้มันกินต้องหาที่อยู่ให้มันอยู่ต้องคอยเลี้ยงดูมันเพื่อให้มันแข็งแรง เพื่อที่คนขี่เวลาจะขี่ม้าไปไหนมาไหนก็จะได้ขี่ไปได้อย่างสะดวกแต่คนขี่ก็เลยต้องมามีภาระกับการเลี้ยงดูมา้าถ้าคนไม่มีมา้าก็จะไม่มีภาระกับการมีมา้าไปไหนมาไหนก็เดินไปดีกว่าเดินไปด้วยลำแข้งลำขาของตน ไปช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวก็ถึงที่ต้องการจะไปหรือถ้าไปไม่ไหวก็อย่าไปเท่านั้นเองก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไ ร, ร อ, อยู่กับที่มันก็เหมือนกับไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนมันก็เท่ากับคนที่อยู่กับที่นะมันไม่ได้วิเศษวิโสกว่ากักาหนกหรอกแต่ความอยากของคนนี้มันอยากจะไปนู่นมานี่ อ, อยู่เรื่อย พอมันอยู่เฉยๆอยู่กับที่แล้วมันหดเหงียดมันไม่มีความสุขมันก็เลยต้องหาพาหนะเช่นม้าสมัยก่อนเขาก็หาพาหนะใช้มา้าขี่มา้าพาไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องมามีภาระกับการเลี้ยงดูมา้าถ้าไม่ไปไหนมาไหนได้อยู่กับที่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมา้า <Yeah. S 1> ก็ไม่มีภาระที่ต้องมาเลี้ยงดูมา้า อันนี้พูดเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าจิตใจของพวกเรานี้มันอยู่กับที่ไม่เป็นมันอยู่กับที่แล้วมัน ห, หยุดเหงียดแทนในช่วงที่เขาปิดบ้านปิดเมืองนี่ให้เขาให้อยู่บ้านนี้กันรู้สึกอย่างไรหัดเหยียดกันเบื่อกันอยากจะออกไปข้างนอกกันอยากจะไปทำอะไรตามที่เคยได้ทำกันแต่พอมีโรคระบาด ต้องอยู่บ้านก็เลยไม่ค่อยมีความสุขกันปัญหาของจิตใจของพวกเราทุกคนอยู่ที่ตรงที่ว่าอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ทำไมต้องไปทำนูน่นทำนี่ทำไมต้องไปนู่นมานี่ไปแล้วมันได้อะไรหรือเปล่าไปแล้วเดี๋ยวว่ากลับมาเช้าออกนอกบ้านเดี๋ยวเย็นก็กลับมากลับมานอนเดี๋ยวตื่นเช้าก็ออกไปอีกแล้วก็กลับมาอีก ไปไปมามาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ไปมันก็เท่ากันถ้าเช้าไม่ไปเย็นก็ไม่ต้องกลับมาเพราะมันอยู่ที่อยู่กับที่แล้วเนี่ยนี่คือปัญหาของจิตใจของพวกเราที่ทำให้พวกเรานี้ต้องไปหาอะไรต่างๆเพื่อมาตอบสนองความอยากของจิตใจของพวกเราก็เลยต้องไปลงเรียนกันเนี่ยลงเรียนทางโลกนี้ก็ สอนวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่เราจะได้เอาวิชาความรู้นี้มาเป็นเครื่องมือทำ ม, มาหากินส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงร่างกายนีร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนม้าเนี่ยที่เราต้องมาเมื่อเรามีร่างกายเราก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องมีอาชีพมีรายได้ถ้ามีความรู้ก็จะได้รายได้สูงมีอาชีพที่สบาย ถ้าไม่มีความรู้ก็มีอาชีพต่ำมีรายได้ต่ำทำงานหนักต้องใช้แรงงานาทุกคนเลยต้องพยายามขวนขวายไปเรียนหนังสือกันเรียนยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมีกำลังที่จะไปทำงานที่ง่ายที่สะดวก ที่เบาที่ไม่หนักงานที่ใช้ความรู้งานที่งานที่จะต้องใช้กําลังของร่างกายนี่คือสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีหน้าที่ให้ความรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้นี้ไปหาเงินหาทองหารายได้เพื่อหนึ่งมาเลี้ยงดูร่างกาย ที่เป็นเครื่องมือของใจใจมีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากร่ำอยากรวยนะก็เลยต้องมีร่างกาย พอมีร่างกายก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายรับภาระแบกภาระของกะของร่างกายร่างกายหิวก็ต้องหาอาหารมาให้รับประทานร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาอยู่หา ย, ยามาให้รับประทาน mm. Mm. แล้วก็ <c oughs> การจะเลี้ยงดูร่างกายอย่างสะดวกสบายก็ต้องมีรายได้ที่ดีมีรายได้ดีก็ต้องมีความรู้ สูงเรียนมากๆก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นถ้าไปสมัครงานเขาก็ถามวนะ่าจบระดับไหนจบมหกก็มีงานระดับหนึ่งจบมวชปวสก็มีงานอีกระดับหนึ่งจบปตร ป, ปทก็มีงานอีกระดับหนึ่งรายได้ก็สูงขึ้นไปตามลำดับ น, นี่คือสถาบันการศึกษาทางโลก มีไว้เพื่อสนับสนุนความอยากของใจของพวกเราเพราะเมื่อเรามีความรู้เราอยากได้อะไรเราก็จะหามาได้ง่ายมีความรู้ก็ไปหางานได้งานดีเงินเดือนดีมีเงินเดือนดีเงินมากก็ซื้อของได้มากอยากจะซื้ออะไรอยากจะไปไหนมาไหนอยากจะทำอะไรก็ ทำได้ตามความอยากของใจทาแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมานี่เป็นวิธีหาความสุขของใจหาความสุขด้วยการทำตามความอยากตา่างๆอยากดูก็ได้ดูอยากฟังก็ได้ฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นก็ได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่น <yeah. S 2> ก็เลยทำให้ yeah. <yeah. S 2> ทุกคนนี่ yeah. ต้องไปเรียนหนังสือกันไปโรงเรียนไปหาความรู้กัน <Yeah. S 2> เพื่อที่จะมาตอบสนองความอยาก <Yeah. S 2> คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่กับเห็นว่าการทำอะไรตอบสนองความอยากนี่ <Yeah. S 2> มันเป็นการพาให้เราต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อย <Yeah. S 2> หลังจากที่ร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปแล้ว yeah. ใจที่ยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่ผลิตลูกคนใหม่ขึ้นมาดวงวิญญาณคือจิตที่เป็นดวงวิญ ญ, ญาณนี้ก็จะไปเกาะติดที่ร่างกายอันใหม่ทันที ไปจับจองว่านี่คือร่างกายของข้าพเจ้านะพอร่างกายนี้คลอดออกมาก็จะได้ใช้ร่างกายนี้ทำอะไรตามความอยากต่อไปดังนั้นความรู้ที่พระเจ้าทรงตรัสลุนี้เป็นความรู้ที่ต่างกับความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้มีไว้เพื่อตอบสนองความอยาก เพราะทางโลกคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการหาความสุขกันการมีความสุขกันจะมีความสุขได้ต้องทำตามความอยากกันพอเวลาอยากได้อะไรพอได้แล้วมาก็ดีใจกันมีความสุขกันแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอตายไปความสุขที่หามาได้มันก็ หายไปหมดไม่มีเต็ดไม่มีหลงเหลือติดอยู่ในใจทําให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทําให้ใจต้องมาหาความสุขใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆนี่แล้วพอมาเกิดก็อย่างที่พูดไว้ว่าก็ต้องมาเจอความทุกข์กับการมีร่างกายมีใครบ้างที่บอกว่าเกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่เด็กทารกนี่ คลอดออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้ก่อนนะร้องไห้เพราะว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่เป็นนะเพราะไม่เคยหายใจเวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจแต่พอออกจากท้องแม่นี้ต้องหายใจเองพอไม่มีลมหายใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทางในร่างกายเขาก็ต้องกระตุ้นให้หายใจ พอหายใจได้ก็บรรเทาความทุกข์ไประดับหนึ่งเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วหิวน้ำก็ร้องหิวอาหารก็ร้องเดี๋ยวอากาศร้อนเกินไปก็ร้องอากาศเย็นเกินไปก็ร้องเดี๋ยวก็ปวดถ่ายหนักถ่ายเบาก็ร้องอีกร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ ที่ใจต้องมาคอยบรรเทาความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์ไปกับการที่เนี่ยพอโตขึ้นก็ต้องทุกข์กับการไปโรงเรียนเห็นไหมเด็กวันแรกไปโรงเรียนนี่มีเด็กคนไหนอยากไปเรีโรงเรียนกันบ้างร้องผมร้องไห้กันเวลาพ่อแม่เอาไปปล่อยที่โรงเรียน กลัวว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะทิ้งยไงก็ไม่รู้ไปปล่อยไว้ที่ตรงเรียน น, น้องห่มน้องไห้บางคนไม่ยอมอยู่ที่โรงเรียนพอแม่พ่อแม่กลับก็บกอนพ่อแม่ขอกลับบ้านด้วยถ้าพ่อแม่ใจไม่แข็งก็อาจจะต้องพากลับบ้านความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องพัดพากจากกาัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันอีกพอพัดภาคจากกันก็เป็นความทุกข์อีกแล้วพอไปเรียนหนังสือก็ต้องทุกข์กับการไปเรียนหนังสืออีกต้องคอยบังคับให้ตั้งใจฟังครูสอนอะไรแล้วก็ต้องเอากลับมาทำการบ้านมาดูหนังสือมามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นที่ มีร่างกายพราต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อมาตอบสนองความอยากของใจผ่านทางร่างกายกไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเดี๋ยวจะต้องแก่เดี๋ยวจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็จะต้องตายกันอ พวเราลองนึกถึงภาพของการเป็นคนแก่ดูจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องเป็นคนแก่เหมือนกับคนแก่ที่เราเห็นอยู่กันในตอนนี้เพราะคนแก่ที่ก็เป็นอยู่ในตอนนี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนมีกําลังวังชาชตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนแก่กันน แต่เวลามันก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆให้ค่อยๆแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนกับคนแก่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็จะเป็นคนเจ็บต่อไปมีโรคภัยต่างๆโรคตับโรคตายโรคเบาหวานโรคอะไรสารพัดโรคเพราะร่างกายนี้มันเป็นที่ตั้งของโรคภัยไข้เจ็บ นี่คือความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเคยออกไปอยู่ออกไปเที่ยวนอกวงังเมื่อก่อนนั้นไม่เคยออกไปนอกวังเพราะพระราชบิดามไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นความทุกข์ของคนที่อยู่ในโลกนี้ความทุกข์ของคนแก่ความทุกขก์กของคนเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ของคนตายคนที่จะเข้าวังนี้ต้องเป็นคนหนุ่มคนสาวคนรูปร่างหน้าตาดีคนที่เป็นอัปลักษณ์คนที่พิกลพิการคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนแก่นี้ห้ามเข้าไปในวังไม่ต้องการให้เจ้าช้ยสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ของร่างกายเพราะกลัวเดี๋ยวจะออกบวชเพราะว่าตอนที่ได้ ประสูดออกมาเจ็ดวันนี้ <Yeah. S 1> พระราชบิดาได้เชิญ <Yeah. S 1> พวกหมอดูโหราจาร์ทั้งหลาย <Yeah. S 1> มาทำนายอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถวาจะเป็นอะไร <Yeah. S 1> โหราจาร์ <Yeah. S 1> ทั้งหมดส่วนทั้งหมดยกเว้นคนหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็ทำนายว่า <Yeah. S 1> มีเป็นสองทาง ถ้าอยู่ครองราชเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระมหาจากกักรพรรดิจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะไปทำสงครามเพื่อไปยึดครองแ <c oughs> ผ่นดินต่างๆมาเป็นแผ่นดินของตนแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระาศาสดาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยกเว้นมีโหราจาร์อยู่หนึ่งรูปที่ทรงที่ได้ทานายว่าจะต้องไปบวชเพียงอย่างเดียว <Yeah. S 1> เมื่อพระราชบิดาได้ยินได้ฟังอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็อยากจะให้อยู่คองราช์ไม่อยากให้ออกบวช <Yeah. S 1> ก็รู้ว่าการที่จะออกบวชนี้คนเราจะต้องมีความทุกข์กัน <Yeah. S 1> มีความไม่พอใจกับสภาพ ที่ตนมีอยู่กันเพียงพยายามส ร, าสร้างสภาพที่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่นี้ให้เป็นสภาพที่มีแต่ความสุขทรงสร้างปราสาทให้สามฤ ด, ดูปราสาทสามหลังด้วยกันเพื่อเปลี่ยนถ้าอยู่ที่ตรงนี้ร้อนก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งที่มันเย็นอย่างพระจเจ้าแผ่นดินประเทศไทยเราก็มีมีหลายที่ อยู่กรุงเทพถ้ามันร้อนก็ขึ้นไปเชียงใหม่ไปอยู่ภูเก็งมันเย็นถ้ามันหนาวก็ย้ายไปอยู่ที่มันอุ่นไปอยู่ชายทะเลไปอยู่นี่ก็เป็นวิธีให้มีทำให้มีความสุขกับชีวิตพระราชบิดาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็อยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะมีความสุข เพื่อที่จะได้อยู่คลองลาดไปเพราะเพราะว่าถ้าไม่พอใจกับสภาพที่อยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่อยู่คลองราดต่อไปกลัวจะออกบวช <c oughs> ก็เลยต้องพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ที่สวยที่งามให้กับเจ้าชายสิทธัตถะให้ได้เพลิดเพลินให้มีความสุขแต่เจ้าชายสิทธัตถะ อยู่ไปในนานอยู่ในวังก็เบื่อ อ, อยากรู้อยากเห็นข้างนอกวังว่ามีอะไรบ้างเกิดมาไม่เคยออกไปเลยห <c oughs> รือถ้าไปเขาก็มีการจัดฉากไว้ <c oughs> ที่ไหนมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนอะไรเขาก็ลไล่ให้ไปอยู่ที่ไกลๆไม่ให้เห็น <c oughs> เวลาออกไปก็จะไม่ให้เห็นความทุกข์ของร่างกาย แต่วันหนึ่งก็อยากจะออกไปแบบไม่ให้มีใครรู้อยากจะไปดูสภาพความเป็นจริงสภาพที่ไม่ได้มีการจัดฉากออกไปก็เลยได้เห็นความจริงของร่างกายเบื้องต้นก็เห็นคนแก่เดินหลังค่อมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมาก็ <c oughs> ถามคนที่ติดตามไปก็บอกนี่เร่างกายของคนเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละ แม้แต่ร่างกายของเจ้าชายเสธยทถาเองก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอได้ยินได้ฟังก็รู้สึกตกใจโอ้ต่อไปต้องเป็นอย่างนี้เหรอต้องเป็นคนแก่คนเฒ่าก็มีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแล้วพอเดินเที่ยวต่อไปสักพักก็ไปเห็นคนเจ็บนอนร้องควรคางอยู่หน้าบ้านนอนอยู่บนเตียงบนแค่ เราก็ลองด้วยกวาการเจ็บปวดก็ลองสงถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเหรอ <S <S <ๆ>เขาได้ทราบว่าเป็นคนเจ็บไข้ได้ปวด่วย<ๆ>เป็นโรคมีโรคภยัยซึ่งทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเป็นโรคภยัยต้องมีโรคภัยไข้เจ็บกันก<ๆ>็เลยทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นแล้วเดินไปสักพักหนึ่งก็เห็นอีกคน เดินมาเป็นขบวแบนแบกคนตายแบกศพเพื่อที่จะไปเผาก็าถามว่าคนนี้เ็าเป็นอะไรเหรออ๋ อ, อคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วถ้าปล่อยเก็บไว้ที่บ้านต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะเน่า <c oughs> ส่งกลิ่นเหม็นไม่น่าดูน่าชมก็เลยต้องไปจัดการออเอาไปเผา ร่างกายของทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ยกเว้นว่าเป็นร่างกายของเจ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือร่างกายของคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดทุกคนหลังจากที่เห็นสภาพของคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทำให้พระองค์นั้นเริ่มมีความทุกข์ใจขึ้นมาในใจเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าไม่เคยเห็นความทุกข์ว่าเป็นอย่างไ้ มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลานี้พอมาเห็นอนาคตของร่างกายของตนว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีนี้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาซึ่งห้ามยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ทุกครั้งที่นึกถึงอนาคตของตนทุกครั้งที่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีก็ก็เดินต่อไป เพืจะเดินกลับเข้าวังก็ไปเห็นชายคนหนึ่ง<ม>เป็นนักบวชแต่งกายไม่เหมือนคนทั่วไป<ม>ก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเหนือ<ม>ก็ได้ยินว่าคนนี้เขาเป็นนักบวชต<ม>อเป็นผู้ที่จะไปแสวงหาวิธีที่จะสอนที่จะทำให้ใจเขาไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพอได้ยินว่า มีวิธีที่จะทาให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยมีความหวังขึ้นมาว่าอ้อต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายถ้าเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ได้ก็เลยมีความดีใจขึ้นมาบ้างว่าเมื่อมีทุกข์ก็มีทางที่จะแก้ความทุกข์ได้แต่วิธีที่จะแก้ความทุกข์ก็ต้องไปบวช ต้องไปอยู่แบบนักบวชเพราะถ้าอยู่แบบที่อยู่นี้จะแก้ไม่ได้<ม>ก็เลยได้ความรู้ขึ้นมาเก<ม>ี่ยวกับเรื่องของอนาคตของตนเอง<ม>ว่าถ้าอยู่ต่อไปคองอยู่คลองลาดต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องเจอความตายและช่วงนั้นก็จะต้องเจอกับความทุกข์<ม>ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ ก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปบวชเพื่อไปศึกษาวิธีทำใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ <c oughs> อันนี้ลนะคือความรู้ที่พระเจ้าทรงได้เรียนรู้ในเบื้องต้นว่าเกิดมาแล้วจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ถ้าไปบวชไปบวชเพื่อไปสร้างพลังภายในจิตใจให้ต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้และให้แก้ปัญหาแบบถาวรคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าถ้าตราบใดยังกลับมาเกิดอยู่ ก็ยังต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่พอพอถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปบวชท่านก็ไปบวชเนี่ยพอวันที่ได้ข่าวว่าภรรยาได้คลอดลูกท่านก็รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปลูกก็จะเป็นบวงที่จะทำให้ทิ้งไม่ได้ข่วงลูกรักลูก ยังเพื่อตัดบ่วงนี้ก่อนที่มันจะมาลัดใจของพระองค์ก็เลยตัดสินใจต้องหนีไปในคืนนั้นโดยที่ไม่ไปอดูลูกนไม่รับไม่ไม่ไปดูหน้าลูกเลยเพราะถ้าเห็นหน้าลูกแล้วก็กลัวว่าจิตใจจะไม่เข้มแข็งพอก็เลยต้องหนีไปในคืนนั้นหนีไปบวชหนี้ไปบวชแล้วก็ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆ วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกูบาาจารย์ที่สมัยนั้นก็รู้เพียงวิธีแบบชั่วคราวที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ก, ก็คือวิธีเข้าสมาธิเวลาจิตเข้าสมาธินี้จิตก็จะหยุดคิดหยุดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย พอไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่ก็อยู่ในสมาธิได้เป็นช่วงครั้งช่วงคราวอยู่ไม่ได้ไปตลอดนพอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ที่พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายเศรษฐะก็ธธอยากจะหาวิธีว่าทํายังไงไม่ต้องทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่วิธีทำสมาธิให้เข้าสมาธิเวลาทุกข์ทุกข์กับเรื่องใครเรื่องอะไรก็เข้าไปในสมาธิกอเข้าไปในสมาธิความทุกข์มันก็ต่างเข้าไปไม่ได้ความทุกข์มันอยู่ข้างนอกใจ พอใจกลับเข้าไปข้างในไม่มารับรู้เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ใจทุกข์ความทุกข์ก็หายไปแต่ใจก็ไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะต้องมีความรับผิดชอบเลี้ยงดูร่างกาย<ม>ก็ต้องออกมาดูแลร่างกาย<ม>เดี๋ยวร่างกายก็หิวน้ําหิวอาหารเจ็บท้องต้องถ่ายต้องอะไร<ม>ก็อยู่ในสมาธิไปตลอดไม่ได้ ออกมาดูแลร่างกายก็ที่จะไปคิดถึงอนาคตของร่างกายไม่ได้เดี๋ยวมันต้องแก่เดี๋ยวมันต้องเจ็บเดี๋ยวมันต้องตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกทีอยากจะรู้อยากจะหาวิธีว่าทำไงไม่ให้ทุกข์กับมนเหมือนกับตอนที่เข้าไปในสมาธิเมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยทรงต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็เปรียบเทียบว่าเวลาอยู่ในสมาธิทาไมมันไม่ทุกข์ เวลาอยู่ในสมาธิเพราะมันมันไม่มันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีมันไม่คิดถึงเรื่องของร่างกายเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันก็พอไม่คิดถึงร่างกายมันก็ไม่มีความคิดไม่มีความอยากเกี่ยวกับร่างกายไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายมันก็ไม่มีแต่พอออกมาจากสมาธิพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่แก่เนี่ยมีใครอยากแก่กันมันไม่มีทุกถามทุกคนมีใครมีความอยากไม่แก่ไหมมีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไหมมีความอยากไม่ตายกันไหยมีด้วยกันทุกคนแต่ไม่รู้หรอกว่าความอยากสามตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกพอใจมีอยากไม่แก่พอคิดถึงความแก่ก็ทุกข์ละ พอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์นะหมอบอกจะฉีดยาให้เข็มหนึ่งยังไม่ทันฉีดก็ทุกข์ไปก่อนนะเ <Yeah. S 1> พราะไม่อยากจะเจ็บกันไม่มีใครอยากจะเจ็บกัน <Yeah. S 1> พอไปดูคนตายไปงานศพนี่ <Yeah. S 1> แล้วมาคิดว่าต่อไปก็ต้องตายเหมือนเขานี่ <Yeah. S 1> ก็เกิดความทุกข์กันนะ <Yeah. S 1> ไม่อยากตายกัน <Yeah. S 1> พ่อองค์ก็เลยเปรียบเทียบว่า อ๋อเวลาที่อยู่ในสมาธิไม่มีความอยากเหล่านี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็เลยไม่ทุกข์พอออกมาจากสมาธิพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายตามมาก็เลยสรุปลงที่ว่าทุกความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเอง เวลาที Vermont, tan, co ่ไม่ได like <Okay. S 1> ้คิดถ <areas S 2> ึงร่างกายเวลาไม่ได้มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ทุกข์กันเวลาที่เราไม่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของเราเราก็ไม่ทุกข์กันเพราะเราไม่ได้มีอะไรมาทำให้เราคิดว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เลยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่เกิดขึ้นมแต่ถ้าไป เห็นอะไรที่มากระตุ้นให้เราเห็นความแก่ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานี้มันก็จะเกิดความอยากไม่แก่ขึ้นะแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยได้ข้อสรุปว่าเนี่ยความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุข จากสิ่งต่าง ๆ, ๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆไปนานๆไม่ต้องไม่สะดุดแต่เดี๋ยวก็ต้องสะดุดเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องตายแต่ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้เปลี่ยนใจว่าต่อไปนี้จะไม่อยากไม่แก่ละอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะอยากมันก็แก่อยากไม่เจ็บมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีอยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดี แล้วไปอยากมันทําไมอยากแล้วทาให้ไม่สบายใจปะปะเปล่าๆก็พลิกใจกลับไปจากหน้ามือไปเป็นหลังมือเสียวจากความไม่อยากเ้าให้มันเป็นเฉยให้หยุดความไม่อยากเสียมันจะแกะ่ก็ให้มันแก่ไปยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเอ yeah. พอสอนใจให้ยอมได้ยอมรับความจริงของร่างกายได้ yeah. ความทุกข์ในใจก็ไม่มี right. อีกต่อไปน yeah. เราก็สอนต่อไปว่าต้องหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ถ้ายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแตยังอยากได้ลาบยศจลเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายนั้นก็ต้องตัดความอยากต่ง น, นี้ไปด้วยก็ต้องอยู่แบบนักบวช น, นักบวชนี่ไม่หาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาเป็นการหาความสุขจากการทําใจให้สงบจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบ ก, ก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส <Yeah. S 1> ก็จะทำให้เลิกอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ พอตัดความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจได้ใจก็ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปใจสามารถมีความสุขอยู่กับความสงบได้ดัง <Yeah. S 1> ั้นต้องปฏิบัติสร้างความสงบขึ้นมาให้ได้ความสงบ ก, ก็มีสองระดับระดับชั่วคราวก็ระดับสมาธิอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะให้ใจสงบต่อไป ก็ต้องตัดความอยากต่างๆออกไปอยากไม่แก่ก็ต้องตัดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องตัดอยากไม่ตายก็ต้องตัดอยากมีความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องตัดไปให้หมดเพราะความอยากเหล่านี้มันจะมาทำให้ใจหงุดหงิตคนอยากดื่มกาแฟนี่เวลาไม่ได้ดื่มกาแฟรู้สึกหนุดหงิดนะเวลาอยากจะสูบบุหรี่ไม่ได้สูบบุหรี่ เวลาจะอยากแค่ดูหนังดูละครไม่ได้ดู เ, ออเวลาอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนออ ไ, มไม่ได้นอนนอนคนเดียวรู้สึกเหง า, ว, าว่าดเวไม่มีความสุขออความทุกข์เหล่านี้มันเกิดจากความอยากของใจเท่านั้นเองพ อ, อรู้ว่าเราทุกข์เพราะความอยากเราก็หยุดความอยากเสียไม่ดีกว่าเลยฝืนมันไม่อยากไปทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟาก็ไม่ไปดื่มมัน อมันทุกข์ก็เข้าไปในสมาธิแทนนะถ้าเราต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถมาสู้กับความอยากได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเวลามันอยากมากๆมันทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสมาธิทำใจให้เฉยๆได้ความอยากมันก็จะไม่รุนแรงมันจะไม่มาทำให้เราทรมานใจพอเราไม่ทำตามความอยากเลิกความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหายไป ต่อไปเห็นกาแฟก็เฉยเฉยเห็นบุหรีก็เฉยเฉยเห็นเห็นแฟนก็เฉยเฉยไม่มีความรู้สึกมีความอยากอะไรกับเขาอีกต่อไปเพราะอยู่คนเดียวได้แล้วทีนี้อยู่โดยที่ไม่มีอะไรได้อยู่กับความสงบได้มีความสงบแล้วอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับตนถ้าตัดความอยากได้แล้วทีนี้ก็สบายไม่ต้องมีอะไรอีกต่อไปนะ นี่คือการตัดสู่ของพระพุทธเจ้านในวันเพ็ญเดือนหกสงคนพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากสามประการความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามแล้วก็ความอยากไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไมยากจนไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นตน้นความอยากสามอย่างนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์และเป็นตัวที่พาให้ใจต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาปัญญาก็เห็นว่าการทำตามความอยากจะสร้างความทุกข์จะพาให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่อยากจะมาเกิดไม่มาเจอความทุกข์ต่างๆก็ต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจพอเห็นโทษของความอยากมันก็มันก็หยุดได้เหมือนกับถ้าเราเห็นว่าอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้แต่เครื่องดื่มชนิดนี้มันดื่มแล้วจะเป็นมะเร็งนี้เราก็ไม่อยากจะดื่ม่ะเปลี่ยน <c oughs> ใครอยากจะไปเป็นมะเร็งมั่งแต่ถ้าไม่รู้ไม่มีใครบอกเขาบอก เครืดื่มนี้โฆษณาแต่ว่ารถอร่อยน่ากินน่าดื่มก็ดื่มกันไปแต่พอเขาเอาไปตรวจดูไปวิเคราะห์ดูไปทําวิ จ, จัยดูว่าไอ้เครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มไปบ่อยๆต่อไปเป็นโรคมะเร็งกันนพอรู้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งจากเครื่องดื่มอันนี้ต่อไปก็ไม่ดื่มนะต้าให้มันอร่อยขนาดไหนก็นไม่ดื่มอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เราอยากเนี่ยมันท้ายเรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าได้มันมาแล้วมันไม่อิ่มไม่พอได้คือมันก็อยากจะได้สอกใช่ไหมได้สอบมันก็อยากจะได้วาได้แฟนคนหนึ่งก็อยากจะได้สองคนได้สองคนก็อยากจะได้สามคนเห็นไหมดูคนรวยเน่ยนะคนรวยนี่มีแฟนกี่คนมีมีภรรยากี่คนมีภรรยาน้อยภรรยานุ่นภรรยานี่เห็นไได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอนั่นแหละ แล้วเวลาไม่ได้ก็ทุกเวลาที่เวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็ทุกยันให้เห็นใช้ปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเหมือนกับทุกสิ่งที่เราดืม่มเครื่องดื่มที่เราดืม่มมันจะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งเราก็ไม่เอาละอย่างใสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ต่อไปมันจะกลายเป็นความทุกข์เราก็ไม่เอาดีกว่า น, นี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมันสุขต้นแต่มันจะมาทุกข์ตอนปลายกันสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆดีอกดีใจกันแล้วเดี๋ยวก็สิ่งที่ได้มามันก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามเข้ามาแทนที่ต่อไปต้องเห็นว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ถาวรมันไม่เหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าของของดีก็กลายเป็นของเสียไปพอมันเสียก็มันก็กลายเป็นความทุกข์ไปพอมันเก่ามันก็กลายเป็นความทุกข์ไปของเก่าเห็นบ่อยๆเห็นนานๆเขาก็เบื่อใช่ไเห็นจำเจขึ้นมาก็เบื่อต่อให้มันเป็นอะไรก็ตามอาหารที่เราโปรดเราชอบเนี่ยเราให้กินทุกวันดูเลยกินทุกมื้อเลยวันละสามื้อ ยินอาหารจานโตรดนี่ไปเดี๋ยวไม่ถึงกระทศก็เบื่อแล้วไม่อยากจะกินแล้ว <c oughs> นี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะไม่สามารถให้ความสุขเราไปได้อย่างถาวรมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหมดไปพอมันหมดไปมันก็ทำให้เราเหงาทำให้เราทุกข์ทำให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทำให้เราอยากได้ของใหม่ๆกันเลย คอยรอดูหนังใหม่ด้วยคอยรอดูละครใหม่อยูเื่อยดูละครเรื่องเก่าสองสามรอบก็เบื่อแล้วต้องมีเรื่องใหม่ให้ดูมันจะได้ไม่เบื่อนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เขาไม่สามารถให้ความสุขแบบถาวรได้ให้ความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปเราก็ต้องลิ้นหาของใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยแต่ร่างกายของเรามันไม่สามารถ ทำหน้าที่ของมันไปได้ตลอด เ, เดี๋ยวมันก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บทีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขตามที่เราต้องการได้ตอนนั้นเราก็จะเจอความทุกข์กันงั้นการไม่มาเกิดดีที่สุดการจะไม่มาเกิดก็ต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไป <c oughs> แล้วเครื่องมือที่เราจะใช้ตัดความอยากพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสอนว่ามีสามระดับด้วยกันระดับต้นก็ ใช้ทานตัดความอยากก่อนแล้วก็ระดับที่สองก็ใช้ศีลตัดความอยากแล้วก็ระดับที่สามใช้การปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิเจริญปัญญาเป็นเครื่องมือตัดความอยาก <c oughs> เครื่องมือแต่ละขั้นก็มีความสามารถมากน้อยต่างกันทานก็ตัดได้น้อยกว่าศีลศีลก็ตัดได้น้อยกว่าการปฏิบัติธรรม แต่ก็ต้องไปตามขั้นเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันขั้นแรกมันก็ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองมันก็ง่ายกว่าขั้นที่สามถ้ายังทำขั้นที่หนึ่งไม่ได้จะไปทําขั้นที่สองก็ทำไม่ได้ทําขั้นที่สองไม่ได้จะไปทําขั้นที่สามก็ไม่ได้เราก็เลยต้องเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งก่อนถ้าเรายังใช้เงินทองไปทาตามความอยากอยู่เราก็ต้องหยุด เอาเงินทองที่จะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปทำบุญแทนก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากความความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนี้มันเป็นเหมือนไฟไหม้ฟังแป๊บเดียวเวลาอยากได้ของเห็นของที่ร้านสวยงามอยากได้พอซื้อมาใหม่ๆก็ดีใจเดี๋ยววันสองวันก็เฉยละ เห็นมันก็รู้สึกเฉยๆนะทำให้มีความอยากซื้อของใหม่ก็เพราะความรู้สึกที่ได้จากการซื้อของใหม่เมื่อสองวันก่อนมันหมดไปแล้วอยากจะได้ความสุขแบบนั้นีก็ต้องซื้อก็ต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเหน็ดเหนื่อยแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ทุกข์กระสิเกิดซื้อเคยมีเงินซื้อของซื้ออะไรเพราะไม่มีเงินซื้อทีนี้ก็เดือดร้อนนะ ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อแล้วก็ต้องมาทุกกับการเป็นหนี้เป็นสินอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีเงินไปจ่ายค่าหนี้ก็ถูกเขายึดทรัพย์อีกยึดบ้านยึดสมบัติอีกเป็นความทุกข์ตามมาสูอเอาเงินที่เราจะใช้ตามความอยากนี้มาทำบุญทำทานดีกว่าเวลาเราทำบุญทำทานเราสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน หรือทำให้เขามีความสุขเป็นวันเกิดเขาเราก็ซื้อเค้กซื้อของขวัญไปให้เขาพอเห็นก็มีความสุขจากการกระทําของเราเราก็มีความสุขแล้วสุขแบบนี้มันมันมันยาวกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําอะไรตามความอยากมันอยู่กับใจไปนานกว่ามันถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารหนักไม่ใช่เป็นขนม กินขนมก็อิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวใช่ไหมแต่ถ้ากินอาหารกินข้าวนี่มันอิ่มไปหลายชั่วโมงความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานนี่มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเห็นเวลาที่เราอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินก็เอาไปทำบุญทำทานเลือกทำได้เราทำแบบไหนก็ได้แบบไหนที่เราชอบทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทาแบบนั้น ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดกับพระเพียงอย่างเดียวครับทำกับใครที่เราทำแล้วเรามีความสุขใจเราทำไปทำกับพ่อแม่ก็ได้พ่อแมออ่ทำให้พ่อแม่มีความสุขนี่เราก็มีความสุขใจหรื อ, อ, อทำให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้หรื อ, อ, อ, อ, อทำให้กับสัตว์เช่นสุนัขจรจัดก็ได้ เห็นเขาเดือดร้อนสงเคราะห์เขาทำให้เขามีความสุขมันก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นมะหรือไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้ไปถ่ายชีวิตของวัวของควายก็ได้ที่จะต้องถูกฆ่าทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าเรามองกลับมาที่ตัวเราถ้าเกิดเราจะต้องถูกเขาฆ่าในวันนี้แล้วมีคนก็ามาเอา่อมาถอนถ่ายชีวิตของเราเราจะรู้สึกยังไง เราจะรู้สึกดีใจมากจากความทุกข์ที่ว่าต้องวันนี้จะต้องตายแล้วก็มีคนมามาถ่ายชีวิตให้กับเราให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เรามีความปลื้มปิติมีความสุขใจเวลาที่เราได้ทำบุญทำทานแล้วต่อไปเราจะเราจะชอบทำแต่บุญดีกว่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยดีกว่าไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแบบควันไฟแบบไฟไม่ฟังแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหงาว้าเวเเต้องหามาอยู่เรื่อยๆต้องทําอยู่เรื่อยๆต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปซื้อของอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วก็จะทําให้เราเงินทองไม่พอใช้ได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ทําทําให้เราต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ทําให้เราบางทีรักษาศินก็ไม่ได้ ถ้าต้องใช้เงินมากก็อยากจะหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆมากๆวิธีที่ได้เงินง่ายๆมากๆเร็วๆก็ต้องทําผิดศีลกันนัองโกโหกกันต้องหลอกลวงกันเพื่อจะได้เงินมาแต่ถ้าเราเอาเงินทองมาทําบุญทําทานเพื่อให้เรามีความสุขใจนี่เราไม่เราเราทำหนสองหนมันก็มีความอิ่มใจแนละมันมันอิ่มมันสุขไปนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําตามความอยากต่างๆ มันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมา <c oughs> มาใช้กับการทําบุญทําทานเราทําไปตามกําลังของเรามีเหลือเราก็ทําไปไม่มีเราไม่ทําเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเ w e i g h รู้สึกเหงาเพราะเราตัดความอยากที่จะไปซื้อของตามความอยากได้ใช้เงินตามความอยากได้มันก็จะทําให้เราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมากจนเกินไปน ไม่ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆมากๆแล้วเร็วๆ <Yeah. S 1> มันก็จะทำให้เราสามารถปฏิบัติทำขั้นที่สองได้ก็คือรักษาศีลได้ <Yeah. S 1> เพราะการรักษาศีลก็เป็นการห้ามความอยากเหมือนกัน <Yeah. S 1> ความอยากที่จะไปทำให้ทำสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาทำให้ใจเราทุกข์ yeah. Yeah. เราก็จะตัดได้อยากฆ่าเขาก็ไม่ก็หยุดได้อยาก จะรักทรัพย์ก็หยุดได้อยากจะอะไรก็หยุดได้เพราะว่าเรา <c oughs> ไม่มีความอยากมากถึงกับจะต้องไปทำบาปกันนั่นเองคนที่ทำบาปเพราะอยากได้มากอยากได้อะไรมากๆเช่นอยากได้เงินทองมากๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากๆเมื่อไม่มีปัญญาที่จะหามาโดยวิธีไม่ทำบาปก็ต้องใช้วิธีทำบาปนันเราถึงมีคนไปป้นไปจี่ธนาคารไป ล้านทองไปอะไรต่างๆเพราะความอยากเขามากความอยากใช้เงินมากคนพวกนี้ไม่เคยทําบุญได้เงินเท่าไหร่ก็เอาไปตอบสนองตัณหาความอยากของตนยิ่งตอบสนองก็ยิ่งอยากเพิ่มมากขึ้นก็พอมากเกินกว่ากําลังที่หามาได้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทําบาปกันนัองแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปมีปัญหา ไม่มีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็อยู่แบบทุกข์ไปติดทุกข์ติดตาราง <c oughs> <c oughs> นี่คือการมาหยุดความอยากขั้นที่สองหยุดการกระทำบาปเพราะถ้าเราหยุดการกระทำบาปไม่ได้นี่เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆและต้องกลับมาเกิดในภพที่ไม่ดีด้วยกลับไปเกิดในอบายเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นแล้วเราก็ต้อง พยายามหยุดความอยากทําบาปให้ได้โดยการรักษาศีถ้าเราทําบุญทําทานมาเป็นปกติใจของเราจะมีความเมตตาด้วยเราจะไม่อยากจะทําให้คนอื่นเสียหายหเดือดร้อนเพราะการทําบุญทําทานก็เพื่อทําให้คนอื่นเขามีความสุขอย่าเวลาที่เราจะไปทําอะไรที่ทําให้คนอื่นก็มีความทุกข์มันก็จะกัดกับความรู้สึกของเราเราก็จะไม่คิดอยากที่จะไปทําบาป กับไไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายอันต้นเราก็รักษาศีลห้าก่อนรักษาศีลห้าข้อพอรักษาศีล ห, ห้าข้อได้แล้วทีนี้เราก็เพิ่มเป็นแดข้อได้ถ้ารักษาได้ห้าข้อเพิ่มอีกสามข้อมันก็ไม่ยากเกินอะไรทำไมต้องรักษาอีกสามข้อเพราะว่าถ้าเราต้องการไปปฏิบัติธรรมต้องการไปทำใจให้สงบ ไปหยุดความอยากด้วยสมาธิด้วยปัญญาเราก็ต้อง เ, อเราก็จะต้องไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้เราก็ต้องหยุดกิจกรรมทางด้านอื่นไปหยุดการดูหนังฟังเพลงหยุดการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปงานสังสรรค์อะไรต่างๆหยุดการเลื่อมหลับนอนกับแฟนเป็นต้น เพือจะได้มีเวลามาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมไปฝึกสมาธิได้ไ ป, ไปศึกษาธรรมะได้ต้องใช้ต้องต้องรักษาศีลแปดจะได้มีเวลา<ม>เพราะศีลห้าไม่ห้ามถ้ามีถ้าถือเพียงศีลห้ายังเย็นนี้ยังกินข้าวเย็นได้อยู่ถ้ามีงานเลี้ยงก็ไปได้ถ้ามีละครดูก็ดูได้ถ้าอยู่กับแฟนก็นอนกับแฟนได้ มันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเราอยากจะมาฝึกสมาธิมาหาความสุขอีกรูปแบบหนึงความสุขที่จะมาทดแทนความสุขที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะเรารู้ว่าร่างกายของเรานี้มันมีปัญหาต่อไปมันจะใช้มันไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันก็ต้องมีเวลาต้องอยุดหาความสุขแบบที่ใช้ร่างกาย การถือศีลอีกสามข้อนี้ก็เพื่อมาห้ามไม่ให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองไม่ให้กินมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการกินมากเกินไปกินเพียงกินเพียงเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ก็พอให้ดับความหิวของร่างกายให้กินเหมือนกินยากินพอประมาณกินตามเวลาไม่ใช่กินตามอยากอยากปุ๊บก็ความมับเข้ามาเข้าปากไป อันนี้ไม่ให้กินแบบนั้นให้กินเท่าที่จําเป็นก็ไม่ให้กินก่อนเที่ยงวันจะได้มีเวลาไม่ต้องมากัวงวลเกี่ยวกับเรื่องกินธรรมดาเรากินทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนทั้งหลับใช่ไหมก่อนจะเข้านอนก็ยังต้องอาหารอะไรกินท่านหน่อยกันกลัวหิวเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวกลัวนอนไม่หลับอีกต้องกินกันอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่มีเวลาไม่มีกรจิกกระจายที่จะมาฝึกสมาธิกัน ก็เลยต้องมาถือศีลแปดมาห้ามกิจกรรมเหล่านี้ห้ามเรื่องกินแล้วก็ห้ามเรื่องหลับนอนกับแฟนห้ามเรื่องการดูหนังฟังเพลงห้ามเรื่องการเสริมสวยความงามต่างๆเพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปข้างนอกไม่ต้องไปเสริมความงามไม่ต้องไปทำผมทำหน้าทำปากทำตาไม่ต้องไปหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาสวมใส่วาเราอยู่ที่ปฏิบัติธรรมก็แต่งกายตามธรรมดาตามปกติ แล้วก็ห้ามไม่ให้นอนมากเกินไป <Yeah. S 1> นอนมากเกินไปก็หมดเวลา <Yeah. S 1> เอาเวลาเวลาจะนั่งสมาธิก็ไปนอนเสีย <Yeah. S 1> ก็ให้นอนแบบที่มันไม่สบาย <Yeah. S 1> อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไป <Okay. S 1> ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่มันจะนอนไม่นานพอร่างกายตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอนต่อแล้วเพราะมันเจ็บหลัง เราจะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อไปนี่คือศ <c oughs> ีลแปดที่เราต้องรักษากันถ้าเราอยากจะฝึกสมาธิเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายมาเป็นการใช้การปฏิบัติภาวนาปฏิบัติธรรมถ้าเราป ฏ, ปฏิบัติธรรมเป็นต่อไปเราจะมีความสุขได้ โดยที่เราไม่ต้องมีเงินไปเที่ยวไม่มีแฟนไม่มีข้าวของมีอะไรให้เราดูเราฟังเพียงแต่ทำใจของเราให้สงบเท่นั้นเองพอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปสิกลิ่นรสต่างๆด้วยเพราะเป็นความสุขที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอยู่ในใจของเรามันไม่จากเรา พอเรารู้จักวิธีทา ม, มันแล้วเราก็สามารถทำมันไปได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เรารู้สึกเหงารู้สึกว้าเว <c oughs> เราก็ทำใจให้สงบพอ <c oughs> ใจสงบก็ได้พบกับความสุขทำให้เราหายจากความเหงาจากความว้าเวต่างๆทำให้เราไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา <c oughs> ต่อไปเวลาร่างกายเราแก่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เราก็ยังใช้ความสงบมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราได้ต่อไปเวลาเราแก่เราจะไม่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกเวลาเราจะตายเราก็จะไม่ทุกเพราะเราสามารถทำใจของเราให้มีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะการหาความสุข ทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้การฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัติทำสร้างสติขึ้นมาพอมีสติก็จะสามารถหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ใจก็สงบเป็นสมาธิได้แล้วถ้าอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาให้มองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ได้มาแล้วจะทําให้เราทุกข์ต่อไป มันอาจจะให้ความสุขเราตอนที่ได้มาใหม่ๆแต่เดี๋ยวต่อไปมันจะเปลี่ยนไปมันจะหมดไปพอมันเปลี่ยนแล้วมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไปทุกครั้งที่เราไปหาอะไรมานี่เราจะต้องไปได้ความทุกข์ต่อไปอย่างแน่นอนถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พอใจเราไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรทําให้ใจเราทุกข์ไม่มีอะไรมาทำให้ใจเรารู้สึกขาดนู่นขาดนี่รู้สึกหารู้สึกว้าเวรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายพอใจจะรู้สึกอิ่มรู้สึกพออยู่ตลอดเวลา yeah. Yeah. นี่คือผลที่เราได้จากการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ yeah. Yeah. จะทำให้ใจของเรานี่อิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลา ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปรมังสุขขังบรมสุขใจที่ปราศจากความอยากนี้เรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุขขังนิพานนี้เป็นบรมสุขคือใจที่ปราศจากความอยากแล้วนี้จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีร่างกาย ต่อไปร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปน่มีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะความสุขที่มีในใจมันเต็มตลอดเวลามันทำให้ไม่ขิวกับความสุขที่จะได้ผ่านทางร่างกายต่อไปก็จะยุติการเกิดได้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพากจากกัน นี่ะคือโรงเรียนทางพระพุทธศาสนาซึ่งต่างกับโรงเรียนทางโลกโรงเรียนทางโลกสอนให้เราทำอะไรตามความอยากต่างๆรับใช้ความอยากซึ่งความอยากก็จะเป็นตัวคอยผลิตความทุกข์ให้กับเราคอยกระตุ้นให้เราต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆส่วนความรู้ทางธรรมนี่สอนให้เรามาหยุดความอยากกันถัดความอยากให้หมดไปจากใจ พอตัดความอยากหมดแล้วเทนี้ใจของเราก็สุขตลอดเวลาอิ่มตลอดเวลาไม่ต้องมีร่างกายกต่อไปไม่ต้องเกิดอีดต่อไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราต้องมาลงเรียนกัน <Yeah. S 1> เป็นพุทธเฉยเฉยไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนายังไม่พอมีศรัทธาแล้วต้องไปลงเรียนของพุทธศาสนาคือไปวัดในวันพระหรือวันที่สะดวกเช่นวันหยุด เพื่อที่จะได้ไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราต้องทําอย่างไรเพื่อตัดความทุกข์ตัดความอยากเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องนําออกไปปฏิบัติต่อไปต้องทําหน้าที่สองอย่างศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลจากการศึกษาจากการปฏิบัติคือการการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุด ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยั า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตชิ น, นางเปตานาังอุปกับปฏิอิชีตังปฏิชีตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปัณะราโสยธาณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตุอันตระโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนัสลิฤสะนิจังวุฒาปจายโน จตารธรมมวัทานติอายุวันโสุขังฮาลาฮัโลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างแจ้งเพื่อกำจัดความสงสัย ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางวันนี้ทาง facebook พระอาจารย์สุชาติเข้ามา429 a c e b o o k พอจอสุชาติเข้ามา66 ยอดรวมทั้งเ c e บ o o k 495ย t u b บ288วิทยุออนไลน์16ซู m 7รับฟังที่หน้ากุฏิ95คนรวมทั้งบด901ครับแสดงว่าวันนี้นักเรียนไม่หนีเรียนกันถนะ้าระดับ 800-900 ก็แสดงว่าครบถ้าต่ำกว่านั้นก็แสดงว่าหนีเรียนกัน มีคำถามไรนักเรียนก็ถามได้คำถามจากคุณพยายามอยากจะทราบถึงประวัติการปฏิบัติของพระอาจารย์ว่าช่วงที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆและไปปฏิบัติสมาธิอยู่กับหลวงตามหาบัวพระอาจารย์นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนหรือไม่ครับหรือมีหลักอย่างไรเพื่อเร่งการปฏิบัติสมาธิของตัวเองให้ถึงซึ่งอริยมรรคขั้นต้นอย่างรวดเร็วครับ ก็ความจริงมีหนังสือประวัติลองไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าที่เว็บพระอาจารย์สุชาติ d o com หนังสือเล่มใหม่เรียกว่าเปิดใจเปิดธรรมก็จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการศึกษาแต่ก็จะพูดคร่าวๆช่วงที่ไปปฏิบัติช่วงที่บวชนั้นมันก่อนจะบวชมันก็ปฏิบัติอยู่แล้วเึกอยู่ปีหนึ่ง ฝึกสมาธิฝึกสติเป็นหลักแล้วก็บางช่วงก็ใช้ปัญญาอ่านหนังสือธรรมะมแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามใช้สติควบคุมใจเพราะถ้าใจไม่ถูกควบคุมเดี๋ยวมันกิเลสเกิดพอเกิดกิเลสแล้วมันทุกข์มันร้อนมันทรมานใจก็<ม>ลเลยต้องพยายามเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิ<ม>พออยู่ในพอได้ฝึกจน พอที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรคือต้องคอยปฏิบัติคอยควบคุมใจให้สงบไม่ให้เกิดกิเลสก็เลยต้องนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมเวลาไม่ได้นั่งสมาธิออกมาก็เดินจงกรมก็จะิญสติหรือทํางานอะไรที่ต้องทำกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรก็จะิญสติพุทโธพุทโธ หรือคอยเฝ้าควบคุมใจให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอว่างก็กลับมานั่งสมาธิใหม่พอบวชก็ทำอย่างนี้ไปไปอยู่บ้านตายก็ทาอย่างนี้เป็นหลักไปจนได้สมาธิขั้นที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วทีนี้ก็ไปฝึกทางปัญญาต่อไปพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วย เพื ies, ่อปล่อยวางปล่อยวางความกลัวตายปล่อยวางความกลัวเจ็บก็ปฏิบัติไปพอขั้นได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ต้องไปขั้นปัญญาไปพิจารณากายเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตตามลำดับเพื่อให้ปล่อยวางเข้าใจโดยปกติจะยึดติดกับร่างกายยึดติดกับเวทนายึดติดกับอารมณ์ที่มีอยู่ในจิต แล้วก็เลยทําให้เกิดตัญหาความอยากเกิดความทุกข์ใจเวลาไม่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความอยากเป็นทุกข์แล้วก็ตัดความอยากอยากในร่างกายก็ตัดไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากให้สุขเวทนามีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวก็ต้องตัดไปสุขเวทนามันก็เป็นหนึ่งในสามของเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์ ก็อย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเพราะมันจะทุกข์เวลามันไม่สุขจิตก็อยากจะให้จิตผ่องใสเบิกบานสดชื่นรื่นเริงแต่มันก็เดี๋ยวมันก็เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็มีตกกังวลอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ต้องอย่าไปอยากให้มันผ่องใสเบิกบานมันเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออก ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อก็อดอยู่กับมันไปอฝนจะตกก็อยู่กับฝนตกไปแดดออกก็อยู่กับแดดออกไปถ้าไม่มีความอยากกับฝนกับแดดมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีไม่มีความอยากกับอารมณ์มันก็ไม่ทุกข์เห็บางทีตื่นขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีแล้วทุกข์แล้ววันนี้กูอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยทุกข์แล้วอยากให้มันอารมณ์ดี นี่มันไม่ดีไปทำให้มันดีได้ไงถ้าเราอย่างไม่รู้ถ้าเราไม่รู้วิธีทำให้อารมณ์ดีเป็นไงเราก็ต้องขัดทำใจอยู่กับมันไปฮนะอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับจะ แ, แล้วแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมลดเราก็จะลดความทุกข์ในใจเราได้ถึงแม้อารมณ์จะไม่ดีแต่ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันก็แล้วกันเราก็อยู่กับมันได้อันนี้ก็คือการปฏิบัติไป ตอนนี้อยู่บ้านตายก็ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเนี่ยระดับสติสมาธิปัญญาสลับกันไปคำ <c oughs> ถามต่อไป <c oughs> คำถามจากคุณปราณีเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ แล้วจิตเรามันตื่นเวลาจะนอนจิตมันไม่ยอมนอนมันตื่นตลอดเวลามันรู้สึกตัวเห็นว่าเราคิดอะไรก็รู้พุโทโธก็รู้มันไม่ยอมนอนเป็นบ่อยมากเลยครับก็เลยหยุดปฏิบตัติเพราะกลัวเป็นแบบนี้ควรทําอย่างไรต่อครับก็ดีเไม่นอนก็ดีก็ถึงบางคนก็ถึงเนซัตชีกันนะเ <c oughs> ขาถึงสามริยาบทเดินยืนกันนั่งไม่นอน พอนอนมันไม่ได้อะไรทุก mm. ตื่นดีกว่าตื่นจะได้ปฏิบัติ mm. เรามาถูกทางแล้วเรากลับไปถอยกลับทําไมพ่อไปติดกับการนอนกลัวไม่ได้นอนขาดความสุขจากการนอนไม่รู้ว่าความสุขที่ได้จากการปฏิบัติมันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการหลับนอนเห mm. ็นถ้ามันไม่นอนก็ต้องดีใจว่าดีจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไป mm. Mm. คนบางคนเขาพยายามหาวิธีทําให้ไม่ง่วงกันให้เรากลับมาหาวิธีทําให้ง่วงเราเราโชคดีเราปฏิบัติแสดงว่ามีสติสติคือตัวทําให้จิตมันตื่นเมื่อมันตื่นก็อย่าไปหยุดมันเลยก็ปฏิบัติไปไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเวลาร่างกายมันเหนื่อยจริงจริงมันหลับเองอ่ะมันไม่ต้องไปบังคับมันถึงเวลาพอพอหัวถึงหวานปั๊บมันก็หลับฟุ้บไปเลยถ้ามันไม่หลับก็อย่าไปฝืนอย่าไปบังคับมัน อันไม่หลับล้วก็พุทโธดูลมหายใจไปก็ได้นอนนอนไปก็ได้นอนดูลมไปก็ได้นอนปฏิบัติไปข้อสําคัญอย่าไปอยากให้มันหลับนะความอยากนี้มันจะทําให้ตืน mm hmm. ่นก็ดูลมไปดูลมไปเดี๋ยวมันมันก็เคลิ้มเดี๋ยวมันก็หลับไปเองได้แต่ข้อข้อสําคัญอย่าไปอยากให้มันหลับเพราะ อ, อยากนี้เป็นตัวกระตุ้นไม่ให้มันหลับนะ ก็ดูลมไปมึงจะหลับก็หลับมไม่หลับกูก็ไม่ว่ามึงกูขอดูลมไปเรื่อยๆพอดูลมไปพักๆเดี๋ยวมันก็เคลิ้มแล้วเดี๋ยวมันก็หลับไปเองไม่นั่งกลัวถ้าไม่หลับก็ดีจะได้ปฏิบัติมากขึ้นที่ให้นอนนอนกับพื้นแข็งๆเพื่อจะได้นอนไม่มากเนี่ยถ้านอนบนฟูกหนนาะเตียงสบายมันจะหลับนานหลับมันก็เป็นหมูนั่นน่ะเข้าใจไหมร่างกายมันก็เป็นหมูอ่ะ ร่างกายได้ดับได้ได้กินได้นอนมันก็เป็นเหมือนเหมือนหมูนี่มันจะได้อะไรแต่ใจมันใจมันหิวใจมันไม่มีธรรมะมันไม่มีความสงบเย่นเมื่อใจไม่หลับ ก, ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้สร้างความสงบให้มีมากขึ้นสร้างความสุขให้กับใจให้เพิ่มมากขึ้น งัการไม่นอยไม่หลับนี้ไ ม, ไม่ไม่ควรไม่ควรไปกลัวมันควรจะดีใจว่าเป็นบุญของเราที่เรามีความตื่นเพราะคนปฏิบัตินี้มักจะไปเจอปัญหาเรื่องง่วงนอนกันเถ<ม>แต่เราไม่ง่วงนี้ถือเราเราโชคดี<ม>เราไม่มีนิวรณ์ไม่มีอุปสรรคในการภาวนาง<ม>ันีบช่วยโอกาสเส ร, รีบภาวนาเสียคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีคำถามเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่แตกหักพังว่าเราสามารถเก็บไว้บนหิ้งพระในบ้านของเราได้หรือไม่ครับเคยได้ยินมาว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้เพราะจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีภายในครอบครัว อ, อยากทราบข้อเท็จจริงครับเป็นความเชื่อพระพุทธรูปไม่ได้ให้คุณให้เท่าไรกับเราทั้งนั้นมีพระพุทธรูปก็ไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นจเจริญขึ้นพระพุทธรูปแขนหกักคอหกักก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นอะไรไปกับพระพุทธรูป แค่ไม่ต้องกลัวถ้าพระพุทธรูปไม่อยู่ในสภาพที่ควรจะเก็บไว้บูชาเราก็เปลี่ยนสภาพสิทุบตีให้มันละเอียดกลายเป็นกลายเป็นดินไปเลยเพรามันทํามาจากดินไม่ได้ทำมาจากโลหะอันไหนที่มันก็ทําไปแล้วก็เอาไปฝังดินที่ไหนก็ได้ดีก่เอาไปทิ้งไว้กองต้นไม้แล้วกลายเป็นภาพไม่น่าดูไปแค่คนพอ ของของเสียของบูชาเสียก็ไปกองไว้แถวต้นโพกันหนะิเต็ไมไปหมดแล้วรายการเป็นของดูไม่ไม่สวยงามพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้านะให้เข้าใจไว้ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรมนะกรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรรมนี่แหละที่จะเป็นผู้ให้คุณให้โทษกับเราไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระพุทธรูปเป็นเพียงเครื่องเตือนใจเราให้เราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกรรม ให้เราพยายามทำกรรมดีละกรรมชั่วแล้วเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญพระพุทธรูปไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรในตัวพระพุทธรูปไม่ได้ทำให้เราดีหรือชั่วแต่อย่างใดเป็นเพียงแต่เหมือนกับป้ายโฆษณาบอกสินค้าให้เรารู้ว่าอยากจะเจริญก็ต้องซื้ออยากจะได้รถยี่ห้อนี้ก็ต้องรถดีก็ต้องซื้อรถยี่ห้อนี้ ถ้าเราอยากจะสุขอยากจะเิญก็ต้องทำบุญรักษาศีลอย่าไปทำบาปนี่นี่คือพระพุทธรูปมีหน้าที่เป็นเหมือนป้ายโฆษณาบอกเรื่องกฎแห่งกรรมให้เรารู้ว่าเตือนสติเราเท่านั้นเองเห็นถ้าพระพุทธรูปเป็นอะไรไปก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้จังเป็นดุกกตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเวลาตุ๊กตามันเป็นอะไรแล้วก็โยนทิ้งไป แต่สำหรับพระพุทธรูปไม่ควรจะไปโยนทิ้งกองขยะเพราะมันไม่ไม่เหมาะสมวิธีที่ดีก็ถ้าทําลายได้ก็ทําลายไปเผาได้ก็เผาไปถ้าเป็นภาพอะไรอย่างนี้ก็เป็นกระดาษก็เผาไปถ้าเป็นของที่ทุบได้ก็ทุบให้มันเป็นละเอียดกลายเป็นหรือเอาไปฝังก็ได้ที่ไหนก็ได้เท่านั้นเองไม่มีไม่มีไม่มีคนมีโทษการกระทํำแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญใดอย่างใด เป็นกับวิธีจัดการกับสิ่งที่ที่ควรจะจัดการนั้นเ่งคำถามต่อไปจากคุณมู่หลานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่านิยมที่นำทองไปหุ้มเช่นที่ยอดฉัดของเจดีโดยส่วนตัวได้รับรู้มาว่าการทำเหมืองทองส่งผลต่อสุขภาพของ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงมองว่าการทำบุญด้วยทองคำเป็นบุญที่เบียดเบียนผู้อื่นมองแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ไดอกเพราะว่าสิ่งที่เบียดเบียนก็คือการไปทำเหมืองทองคำแต่การซื้อทองคำมานี้ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเพราะมันเป็นของที่เอามาขายอยู่แล้วจะซื้อไม่ซื้อมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่ของมันอยู่แล้วนะ จะเบียดเบียนก็ต้องเป็นประหยุ์คนที่ไปทําเหมืองทองคําเลยทีนี้คนเราอยู่ในโลกนี้มันทําอะไรมันก็ต้องมีผลกระทบต่อกันและกันบ้างนี่ก็ต้องดูบวกลบกันว่าผลได้ผลเสียมันต่างกันยังไงจําเป็นและไม่จําเป็นออันนี้ก็เป็นเรื่องของการมาเกิดในโลกนี้เกิดมาเกิดในโลกมันก็ต้องมีผลกระทบต่อกันสร้างถนนนี่ขึ้นมา มันก็ทําให้ก็มีอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่ไหมงั้นถ้าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุก็อย่าไปสร้างถนนเลยทาทางเกวียนนะี่มันจะได้รถจะได้ไม่ชนกันรถไม่ควางกันงั้นมันก็ทําอะไรมันก็ต้องมีผลได้ผลเสียของมันตามธรรมชาติของมันนะั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนใครไปสร้างความเสียหายให้กับใครมันเป็นผลกระทบมันก็เป็นเรื่องของ กรรมของสัตว์นะที่มาเกิดในโลกนี้ก็ต้องมาเจอผลกระทบผู้ที่ถูกกระทบก็ถ้าไม่อยากจะโดนกระทบไปย้ายย้ายที่ไปไปอยู่ที่อื่นที่มันปลอดภัยระเท่านั้นเองดีกว่ามาม า, ม า, ม, ามาโยนบาปให้คนไม่รู้อีหน่วยเนี่คนที่เขาซื้อทองคำเพราะก็ต้องการจะบูชาพระพุพะทธรรมพระสงฆ์ที่เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ เขาก็อยากจะหาของที่ดีที่สุดมาบูชาเท่านั้นเองกากลับมามองว่าเป็นการไปเบียดเบียนคนชาวบ้านที่เขาไปอะไรไปเขาไม่มองว่าการมีพระเจดีย์มีอะไรนี้เป็นอนุสรณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะได้มีอะไรเป็นคติเตือนลูกหลานของเราต่อไปอนุชวนรุ่มหลังเพื่อที่จะได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใ จ, จให้เขาอยู่กันอย่างสงบไม่เบียดเบียนกันเพรฉะนั้น ขอใามากังวลกับการเบียดเบียนโดยทางตรงดีกว่าทางอ้อมอย่าไปกังวลกับมันเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่รักทรัพย์มัแต่พิดผิดประเพณีไม่โกหกนี่ดีกว่าดีกว่ามากังวลว่ากินเนื้อสัตว์ก็ไปเบียดเบียนเอาไปทําให้คนเขาต้องไปฆ่าสัตว์เอาเนื้อสัตว์มาขายเราถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ต้องกิ น, กกนเ ห, นหมือนกันแล้วกันใช่ไหมถ้าปลูกผักก็ปลูกผักก็ต้องขุดดินหรือก็ต้องไปฆ่าตัวตัวหนอนตัวไส้เดือนอีกไง ม, ม, ม, มันก็ไม่ต mm ้องเกณฑ์กันเท่านั้นแหะงั้นก็ยังมาเกิดจนก็แล้วกันหมวดเรื่องะก็ไปบวชกันในปฏิบัติธรรมกันเอสียแล้วตัวคนเองทําอะไรบ้างหรือเปล่าที่ที่คนไม่เบียดเบียนเขามีหรือเปล่าข้าวที่คุณกินมันเบียดเบียนสัตว์หรือเปล่าเนื้อสัตว์ที่คุณกินมันเบิดเบียดเบียนหรือเปล่ามันก็มีผลกระทบแต่มันมันผลกระทบทางอ้อมนะมันไม่ได้เป็นผลกระทบทางตรง เส้นทางทางกฎแห่งกรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดถ้าเราไม่ทำเราไม่บาปคนอื่นทำมั้นเป็นเรื่องของเขาคำถามจากคุณใหม่อา น, นิสงของการได้ยินได้ฟังพระสูตรคำของพระตถาคตก่อนสิ้นชีวิตสามารถทำให้เราละสังโยชน์ในส่วนเบื้องต่ำห้าสำหรับผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายความด้วยครับ ก็ตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่หลุดท้นแล้วตอนจะตายมันจะหลุดทนไงไง้นได้ไงวะเนีก็ต้องพยายามศึกษาให้เข้าอกเข้าใจมันไม่ได้หยู่มันไม่ได้หลุดตอนที่จะตายหรือตอนที่ไม่ตายหรอกมันหลุดตอนที่เราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติได้หรือเ ป, ปล่าปล่อยวางได้หรือเปล่านั่นเองถ้าถ้าปล่อยวางไม่ได้ไม่ว่าจะตอนก่อนตายหรือตอนไม่ยังไม่ตายมันก็ปล่อยวางไม่ได้อยู่ดี แไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องรอให้ตอนตายก่อนถึงมาฟังพระสูตรจึงได้หลุดพ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคนบางคนพ่อพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่อยากจะศึกษาธรรมะแต่พอจะตายนี่มันไม่รู้จะทำอะไรที่จะทำให้ใจสบายก็เลยยอมศึกษาธรรมะยอมฟังธรรม พอฟังทำก็ปฏิบัติตามได้ก็บรรลุได้ละสังโยชน์ได้ฉะนั้นมันละแต่กรณีของแต่ละบุคคลไม่ใช่สําหรับ<ม>เป็นกรณีทั่วๆไปกรณีทั่วไปต้องพยายามศึกษาเส่แต่ตอนนี้ตอนที่เรามีสติมีกําลังวังชาชเพื่อที่เราจะได้ทดสอบดูว่าเราละได้หรือไม่ได้ไม่ละไม่ได้ก็พยายามศึกษาต่อไปปฏิบัติ ต, ต่อไปแต่ถ้ามาทําตอนใกล้ตายมัน มันมีโอกาสแค่แป๊บเดียวนะถ่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะงั้นอย่าไปรอตอนตายแล้วค่อยมารอฟังก็สูญบางที่ฟังก็ไม่รู้เรื่องมันไม่ได้อะไรเลยคำถามจากคุณกะระยาการที่เราให้เงินขอทานคนข้างถนน แล้วมีคนพูดว่าเขามีมือมีเท้าควรจะไปหางานทำถ้ามีคนให้เขาแบบเราเขาจะขี้เกียจและไม่ยอมช่วยตัวเองอเราควรจะคิดแบบไหนดีครับนี่มึงไปเป็นขอทานไม่บ่อยคนนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีใครอยากจะเป็นขอทานบ้างไม่มีหรอก <c oughs> นีมันมันจำเป็นอ่ะมันไม่มีกินอ่ะ <c oughs> อาจจะมีคนบางคนที่ขี้เกียจแล้วเป็นขอทานก็อาจจะมีบ้าง <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากจะเป็นขอทานหรอกทุกคนก็พยายามที่จะเดินนุนต่อสู้เพื่อที่จะยกระดับฐานะของตัวเองแต่บางคนมันไม่มีปัญญาไม่มีการไม่มีใครช่วยเหลือตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรขาดโอกาสต่างๆหรืออาจจะเป็นสันดานก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนงนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็มันก็คนที่ไม่ชอบทําทานก็จะหาเรื่องคิดอย่างนี้ ทำบุญกับวัดถ้าเห็นวัดรวยก็ไม่อยากจะทำเพราะคนเข้าเยอะอยากจะไปทำกับวัดที่จนวัดที่จนไม่มีคนเข้าไม่มีคนศรัทธาก็ไม่อยากจะไปอีกก็เลยไม่ได้ทำวัดรวยก็ไม่ทำวัดจนก็ไม่ทำเพราะวัดจนนี้จนเพราะว่าพระคงไม่ดีถึงไม่มีใครไปกันมันก็เลยมีเหตุให้ไม่ทาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับกินอาหารเนี่ยกินอาหาร ร้านอาหารอร่อยคนก็เยอะต้องเข้าคิวถ้าไปกินร้านที่ไม่คนไม่เยอะมันก็ไม่อร่อยอก็ไม่กินหรอือมันก็ต้องเลือกกินที่ไหนที่หนึ่งมันก็อดตายใช่ไหมการทำบุญทาทานก็เหมือนการเป็นการให้อาหารกับใจอย่าไปอ้างเหตุต่างๆมาหยุดการทาบุญนะมันก็จะไม่ได้มีโอกาสทำบุญสักทีดูว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเราเป็นเขาเราจะเป็นยังไง เขามาให้เงินเราเราเป็นขอทานเราจะดีใจไหมเราจะมีความสุขไ้มจะได้มีเงินไปซื้อข้าวกินหรือซื้ออะไรกินมองในแง่ดีดีกว่าจะไม่มองว่าเป็นการอทําให้เข้าขี้เกียจอย่างนี้เขาก็อย่างนี้โลกนี้ก็จะไม่มีขอทานขนาดอยู่ประเทศร่ารวยขนาดไหนเขาก็ยังมีขอทานอยู่เพราะบางคนมันไม่มีโอกาสน่หรือว่ามันพลาดมันสะดุดมันล้มอ่ ฐานาการเงินอยู่ดีๆมันก็ฟุบลงไปเราจะอยู่รอดได้ยังไงก็ต้องอาศัยการขอทานไปก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามการดูลมหายใจดูแบบไหนครับบางทีดูลมกับพุทธลมเข้าโทลมออกรู้สึกมันฝืนมันเหนื่อยครับถ้าดูแบบไม่ใช้พุทธโท ร, รู้สึกสบายแต่ก็จับดูลมไม่เป็นครับ กอดูลมก็คือดูที่ปลายจมูกนะดูที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าลมมันก็จะมาแตะที่ปลายจมูกเวลาหายใจออกมันก็จะไปแตะที่ปลายจมูกก็คอยสังเกตดูที่ปลายจมูกนะมันจะมันจะเห็นลมเข้าลมออกตรงจุดนั้นถ้าถ้าสติยังมีกำลังไม่พออา จ, จะมองไม่เห็นก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งให้จิตสงบ เพราะจิตมันอาจจะไปยุ่งกับความคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่เลยทําให้มองลมไม่ได้ก็ลองพยายามลดความคิดให้มันน้อยลงด้วยการสวดมนต์ไปสักพักพอใจรู้สึกเบาเย็นลงสง บ, บลงก็ลองหันมาดูลมใหม่อีกทีไม่ต้องใช้พุทโธถ้าจะใช้พุทโธก็ไม่ต้องใช้ลมก็ได้ใช้พุทโธแทนสวดมนต์ก็ได้ถ้ายัางดูลมไม่ได้ก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปก่อน เพื่อที่จะระงับหรือลดความคิดต่างๆให้มันน้อยลงพอความคิดน้อยลงไปก็จะมีความชัดเจนในลมเพิ่มมากขึ้นไปเะฉนั้นความคิดมันจะมาบังลมมองให้ไม่เห็นลมมันจะมัวแต่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่อย่าง <Yeah. S 1> เบื้องต้นถ้าดูลมไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูใช้การท่องพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนในใจไม่ต้องออกเสียงทําในขณะที่เรานั่งสมาธิไปสวดในขณะที่เรานั่งไป แล้วพอรู้สึกว่าความคิดเบาลงสามารถมองเห็นลมได้ดูลมได้ทีนี้ก็ค่อยดูลมดูก็ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้หายใจยาวลึกๆให้มันหายใจตามปกติเหมือนเหมือนตอนที่เราไม่ได้ดูมันตอนที่เราไม่ได้ดูมันมันก็หายใจตามเรื่องของมันตอนที่เรามาดูเราก็ปล่อยให้มันหายใจตามเรื่องของมันไปให้รู้ว่ามันหยาบหรือละเอียดลึกหไม่ลึกยาวหรือสั้นก็รู้ตามความจริงไปนั่นเอง ไม่ต้องไปทำอะไรกับลมให้เฝ้าดูลมเพื่อใจเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆคอยสังเกตว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดจะแสดงว่าไม่ได้ดูลมแล้วถ้าดูลมจริงๆมันจะไปคิดไม่ได้ถ้าคิดแสดงว่าเราไม่ได้ดูลม <c oughs> ก็ต้องกลับมาดูให้มัน <c oughs> ให้มันใกล้ชิดขึ้นหายใจเขารู้หายใจออกรู้แล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้คิดแล้วดูลมไปเดี๋ยวใจก็จะสงบ แล้วก็จะมีความสุขความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวการไปซื้อของใหม่ๆมาต่อไปจะได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหน็ดเหนื่อยเป่ๆใช้สติดูลมนั่งสมาธิทาใจให้สงบก็ได้ความสุขที่ดีกว่าการใช้เงินไปซื้อของเสียแล้วถ้าเราตามลมเข้าตามลมออกอันนี้ใช้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ไม่ให้ตามให้อยู่จุดเดียว ก็จิตจะได้นิ่งถ้าตามมันจิตก็ยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ตามวมอยู่เราต้องการให้จิตนิ่งจิตจะสงบได้จิตต้องนิ่งถ้าจิตยังไหลไปกับลมไหลเข้าไหลออกไปกับนลมจิตมันก็ไม่นิ่งยังต้องให้จิตอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกตรงที่ลมเข้าลมออกให้รู้เฉยเฉยไม่ให้คิดจิตถึงจะสงบได้ คำถามต่อไปจากคุณแทนในการเดินจงกรมหากกำหนดอยู่กับการเดินก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายพอรู้สึกว่าเผลอไปคิดแล้วหยุดความคิดกลับมาดูการก้าวเท้าต่อไปการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็พยายามให้อยู่กับการก้าวเท้าไปเรื่อยๆถ้าเผลอไปคิดก็ต้องดึงกลับมาใหม่ไม่ก็อาจจะในการต่อสู้กันความคิดก็ยังดึงไปคิดอยู่ พอเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับเท้าเราก็กลับมาดูที่เท้าใหม่ในที่สุดต้องการให้มันอยู่ที่เท้าเพียงอย่างเดียวให้มันหยุดคิดแล้วใจจะเบาใจจะเย็นใจจะว่างถึงแม้จะไม่สงบกมัน ก, ก, ก, ก็ใกล้จะสงบพอรู้สึกว่าจะใกล้จะสงบก็ไปนั่งสมาธิต่ตอแล้วก็ไปนั่งดูลมต่อ คำถามจากคุณปรีชาขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องฐานของจิตครับก็คือความสงบแห้นั่งสมาธินี้เพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่จิตมีความมั่นคงที่สุดเป็นจิตที่แข็งแกร่งที่สุดก็คืออยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานคืออุเบกขาเนี่แหละคือฐานของจิตความสงบความสุขจิตและอุเบกขาเป็นฐานของจิต พอมีอุเบกขาแล้วที่นี้มันเฉยนะใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยใครทําอะไรก็เฉยจิตไม่ไปวุ่ว่าไปกับการกระทําต่างๆหรือการสัมผัสรับรู้กับอะไรต่างๆก็จะเฉยไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือฐานของจิตคําถามจากคุณทีกัตนาเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เห็นอาการของจิตมันดิ้นอยากจะหายทุกข์ อยากไม่ป่วยแต่ขณะนั้นก็เลยทําสมาธิขณะขณะที่ป่วยแยกกายแยกจิตก็ได้เห็นความสงบการไม่ดิ้นรนและยอมรับของร่างกายที่ยังป่วยอยู่แต่ก็พ้นทุกข์ได้ในขณะนั้นนั้นทแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาที่ป่วยเจ็บแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเนี่ยเขาเรียกธรรมโอรสร ย, ยามิเศษฤก ย, ยาที่หมอมาให้หมอให้มาก็รักษาเพียงแต่ร่างกาย แต่ใจก็ยังทุกข์อยู่ได้หายคราวนี้ก็ยังกลัวว่าคราน่าจะเป็นอีกหรือไม่แต่ถ้ามีธรรมะวุปสมรักษาใจได้แล้วทีนี้ไม่กลัวแล้วมันจะเจ็บกี่ครั้งมันก็ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเพระฉนั้นพยายามฝึกสมาธิฝึกสติฝึกปัญญาเพื่อสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บไายได้ป่วยแล้วห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันจะมาก็ให้มันมาเดี๋ยวมันก็ไป ร่างกายมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันไม่ต้องกลัวคำถามจากคุณใหม่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้อธิษฐานให้บาทของพระองค์อันตรธานหายไปพระมุขลานะอาสาตามหาบาทจนหลงไปพบพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นทรงพระนามว่าอมิตภะ พ, พระพุทธเจ้าขอถามว่าพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นยังมีอีกหรือไม่ครับ อันนี้เราไม่รู้นะมไม่อยากจะตอบอย่าไปสนใจแนละ้วมีแล้วไม่มีมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของเราสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของเราก็คือสติและปัญญาที่จะมาคอยควบคุมกิเลสตัณหาของเราดังั้นอย่าไปสนใจกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนองค์ปัจจุบันองค์อนาคตจะมีหรือไม่มีมันไม่ทําให้กิเลสของเราตายสิ่งที่จะทําให้กิเลสเราตายก็คือสติปัญญากับสมาธิเนี่ย พยายามพุ่งมาที่ตรงจุดนี้ดีกว่าอย่างอืง่นก็รับรู้ไว้แล้วถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็วางไว้ก่อนไม่ต้องไปสนใจรู้ก็เท่านั้นไม่รู้ก็เท่านั้นมันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญหาของเราก็คือความทุกข์ของเราการเวียนว่ายตายเกิดของเราเรามาสร้างสิ่งที่จะมายุติความทุกขยุติการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าก็คือสติหยุดคิดดีกว่ายิ่งคิดยิ่งฟุง้งยิ่งไม่สงบยิ่งห่างไกลจากธรรม งั้นหยุดคิดดีป่ะหยุดคิดใจสงบใจก็เข้าถึงธรรมเมื่อถึงธรรมใจก็จะก็จะพ้นทุกข์ได้คำถามสุดท้ายคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามผมมีปัญหาครอบครัวแตกแยกครับแต่ก็ยังรักและห่วงมากอะไรมากเนื่องจากมีลูกด้วยกันจึงทำให้ทุกข์ใจมากครับผมจะใช้วิธีปฏิบัติแบบไหนให้พ้นจากความทุกข์ตรงนี้ได้ครับ อก๋การแตกแยกมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแยกทางกันไม่มีใครมาอยู่ร่วมกันตลอดถึงเวลาก็ต้องแยกกันไปทีละคนสองคนบางคนก็ไปแต่งงานไปมีครอบครัวใหม่บางคนก็อย่าล้างกันแยกกันไปบางคนก็ตายจากกันในที่สุดมันก็ตายหมดย้อนดูประวัติของคนเมื่อร้อยปีที่แล้วตอนนี้มีใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี้บ้างไม่มีหรอกมันก็แตกแยกกันไปทีละคนสองคน เดียวก็ตายกันไปหมดฉะนั้นให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเตือนสติอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วเราย่อมมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดามีการแตกแยกจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นความพัดภาคจากกันไปไม่ได้<ม>เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเวลามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเอาแล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดี